จเจริญกรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเพื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28นิมถุนายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด พมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริ ง, รงทำบาป ก, ก็ต้องไปเกิดในอบายไปตกนรกทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ไปพระนิพพานตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้อง ไปเกิดใหม่ถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าทำบาปก็ไปอบายไปนรกนี่คือความเชื่อที่ดึงให้เราเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเรายังไม่สามารถมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นบุญเห็นบาปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราจึงต้องเชื่อคนที่เห็นก่อนคนที่เห็นก่อนก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสองสาวกทั้งหลายท่านเป็นเหมือนคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจะเห็นสู้คนตาดีไม่ได้ถ้าไม่เชื่อคนตาดีคนบอดก็จะไม่ได้รับประโยชน์ และจะต้องไปรับโทษเพราะมองไม่เห็นว่าทางที่กำลังเดินไปนั้นเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่มีอะไรขวางกั้นหรือไม่มีหลุมมีบ่อมีสัตว์สิงสารสัตว์ต่างๆหรือไม่ <Yeah. S 1> คนตาบอดจึงต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปฉันใดตอนนี้พวกเรา ก็เป็นเหมือนคนตาบอดสิ่งที่จะเชื่อมคนตาบอดกับคนตาดีก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าคนที่นำทางเรานี้มีตาดีมองเห็นทางมองเห็นอะไรต่างๆที่เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ตามคนที่เราไม่เชื่อ ดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ทำตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำพอเราไม่เชื่อเราก็จะไปทำสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างสิ่งที่เป็นบาปบ้างแล้วเราก็ต้องรับผลบุญและผลบาปทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และในขณะที่ตายไปขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จะได้รับความสุขความเจริญถ้าเราทำบุญและเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าเราทำบาปเราก็จะได้รับความทุกข์ความวุ่นวายใจความเสื่อมเสียและเวลาตายไป เราก็จะต้องไปเกิดในอบายหรือไปตกนรกแต่ถ้าเราเชื่อคนตาดีแล้วเดินตามคนตาดีคือทาตามที่คนตาดีบอกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือให้ทําบุญให้ละบาป ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคนตาดีสอนคนตาบอดถ้าคนตาบอดเชื่อคนตาดีทำตามที่คนตาดีบอกก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญและเวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกตอนนี้พวกเราไม่เห็นตัวเรา ตัวที่ไม่ตายเราเห็นแต่ตัวที่ตายตัวที่ตายก็คือร่างกายเรามีสองตัวอยู่ในชีวิตของเราตัวที่เรามองเห็นกับตัวที่เรามองไม่เห็นตัวที่เรามองเห็นนี่มันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเหมือนเปลือกของกระดองของเต่าตัวเต่าไม่ใช่ตัวกระดองกระดองนี่ไม่ใช่ตัวเต่า ฉันใดตัวเราก็ไม่ใช่ร่างกายตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเมื่อไม่มีร่างกายเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังตัดกิเลสไม่ได้ยังตัดความอยากไม่ได้ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ เราก็ต้องมีร่างกายใหม่เพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยู่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานอะไรไม่ได้เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้เราจึงต้องไปหาร่างกายใหม่ก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายใหม่ เราก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าเรามีบุญมากบุญก็จะเดินเราไปสวรรค์พาเราไปเที่ยวสถานที่วิจิตรพิสดารที่มีแต่ความสุขถ้าเราทำบาปไวมากกว่า บ, บุญเวลาตายไปบาปก็จะเดินใจเราให้ไปรับผลผลบาปเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉาน หรือไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราละบาปกันไม่ทำบาปกันวิธีละบาปทำยังไง mm. ก็คือให้รักษาศีลห้านี้เองรักษาเพียงห้าข้อเท่านั้นแหละแล้วรับรองได้ว่าตายไปจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องตกนรกศีลห้าข้อมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของคนอื่นมีคุณค่าราคาเหมือนกับชีวิตของเราเรารักชีวิตของเราเราไม่อยากให้ผู้อื่นมาทำลายชีวิตของเราเราก็ควรเคารพชีวิตของผู้อื่นอย่าไปฆ่าเขาเพราะฆ่าเขาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องถูกเขามาฆ่าเรา แต่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็จะไม่ฆ่าเรานี่คือข้อที่หนึ่งพยายามรักษาศีลดีไว้ให้ได้อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆเขาก็รักชีวิตเหมือนกับเราสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยมนุษย์นี่รักชีวิตเหมือนกันขนาดของร่างกายไม่สาคัญ อันใดขอร่างกายนี้มีคุณค่าสําหรับทุกๆคนร่างกายของเราเล็กเราก็รักร่างกายของเราใหญ่เราก็รักฉันใดมดมันก็รักร่างกายของมันมแมลงมันก็รักร่างกายของมันเสือสิงมันก็รักร่างกายของมันช้างมันก็รักร่างกายของมันความรักร่างกายนี้มีเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าร่างกายจะใหญ่หรือจะเล็กมีคุณค่าเท่ากันหมดสำหรับเจ้าของดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปก่ะเวรก่ะกรรมเราอยากไปฆ่าเขาเพราะถ้าฆ่าเขาแล้วเขาจะต้องจองเวรจองกรรมเหมือนกับเราถ้าใครมาฆ่าเราเราก็จะต้องจองเวรจองกรรมดังนั้นอย่าไปฆ่าแล้วเราจะได้ ไม่ต้องไปชดใช้เกณชดใช้กรรมข้อที่สองอย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปเอาสิ่งที่เขาไม่อนุญาตถ้าอยากได้อะไรถามเขาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเจ้าของขออนุญาตขอได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาอย่าไปถือวิสาสะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคืนเขาทีหลัง เกิดเวลาตายไปก่อนแล้วจะไปคืนเขาได้อย่างไรตายไปก็จะกลายเป็นเปรตไปนี่คือเรื่องที่เราต้องระ ม, มัดระวังเรื่องการรักทรัพย์ของผู้เพราะการรักทรัพย์นี้ถ้าเราไม่ระ ม, มัดระวังเผลอไปตายไปเราจะไปกลายไปเป็นเปรตถ้าเราไม่อยากไปเป็นเปรต อย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าอยากได้ก็ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาให้ก็เอาไปถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าเอาไป อ, อย่าไปคิดว่าเราตายไปแล้วลูกของเราจะมาใช้แทนเราเราจะไปรู้หรือว่าเขาจะใช้ไม่ใช้ตอนนี้เขาก็รับปากไปอย่างนั้นพอถึงเวลาตายไปเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่องอะไรที่จะต้องเอาเงินไปใช้ เก็บไว้ใช้เองไม่ดีกว่าหรือแล้วเราก็จะกลายเป็นเปรตโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือข้อที่สองอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปฆ่าฆ่าแล้วต้องไปตกนรกรักทรัพย์ก็กลายไปเป็นเปรตแล้วก็อย่าไปพระพุทธผิดปะเวณีเพราะถ้าเราไปพระพุทธผิดประเวณีต่อไปเขาก็จะมาพระพุทธผิดประเวณี กับสามีของเรากับภรรยาของเรากับลูกของเราทําอะไรไว้กับใครเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทําเรา <c oughs> นี่ก็อยาบอะพฤติผิดประเวณีให้มีผัวเดียวเมียเดียวถ้าอยากจะได้ผัวใหม่เมียใหม่ให้หย่า ก, กันก่อนอยา่อยามาแอบไปมีสามีนอกบ้านอย่าไปแอบไปมีภรรยานอกบ้านเพราะ มันจะทำลายครอบครัวจะทำลายความรักความสามัคคีกันอยู่ไปก็จะไม่มีความสุขความสุขเชื่อเดียวยวชื่วกันชั่วเวลาเป็นนอนกันไม่กี่ชั่วโมงแต่ความทุกเวลากลับมาอยู่บ้านมาเจอหน้าภรรยาเจอหน้าสามีใจนี้จะไม่สบายใจจะหวาดวิตก กลัวว่าเขาจะรู้ถ้าอยากจะได้แฟนใหม่ก็เลิกกับแฟนเก่าไปก่อนอยากได้ภรรยาอยากได้สามีใหม่ก็อย่าล้างกันไปก่อนแล้วมันจะไม่บาปแล้วจะไม่เป็นเวรเป็นกรรมจะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คืออย่ากโกหกอย่าพูดปลดมดเทปโกหกหลอกลวง ถ้าเราโกหกพูดอื่นคำพูดของเราจะไม่มีความหมายต่อไปจะพูดไปบอกอะไรใครจะไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเหมือนนิทานเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะนี่หลอกคนว่ามีเสือมีหมาสุนัขจิ้งจอจะมากัดแกะเรียกร้องความช่วยเหลือพอคนชาวบ้านได้ยินก็รีบมาช่วยเหลือ พอมาถึงก็ไม่เห็นว่ามีไม่มีจิ้งจอกไม่มีสุนัขมาทำลายแกะก็รู้ว่าถูกหลอกเด็กก็หัวลาะคิดคิดดีใจที่ได้หลอกผู้ใหญ่แต่คราวหน้าพอมีมีจิ้งจอกมากัดแกะจริงๆเรียกร้องเท่าไหร่ก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือฉันใดคำพูดของเรานี้ ถ้าไม่มีสัจจะต่อไปก็จะไม่มีความหมายจะไม่มีใครเชื่อพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อบอกว่าจะรักกันก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเราจะรักเขาบอกว่าขอยืมเงินแล้วจะเอาเงินมาใช้ให้เขาก็จะไม่เชื่อเขาจะไม่ให้เรายืมเงินแต่ถ้าเรามีสัจจะเราพูดความจริงพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น เวลาที่เราไปยืมเงินยืมทองใคร <t> ก็จะมีคนเขาเชื่อเรา <t> ด้นยินดีให้เรายืมเงินยืมทองได้ <t> ข้อที่สี่อย่าไปเสพสุรายาเมาเพราะเวลาดื่มสุราแล้วจะไม่มีสติประคับประคองกิริยาการพูดการกระทาของเราคนเมานี่มักจะพูดจาหยาบคายพูดจาไม่สุภาพและ การกระทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เวลาคนเดื่บสุราเมาแล้วจะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะเป็นเหมือนสุนัขนั่นเองคนไม่อยากจะเข้าใกล้สุนัขบ้าเพราะกลัวจะถูกสุนัข ก, กัดเอาฉันใดถ้าเราอยากที่จะรักษาคุณสมบัติความดีงามในตัวของเราไว้ อย่าไปดื่มสุราการดื่มสุรานี้นอกจากทาให้เราไม่มีสติประคับประครองการกระทาของเราแล้วยังมีความเสียหายหลายอย่างด้วยกันเช่นเสียเงินเสียทองเสียเวล่ำเสียเวลาถ้าดื่มสุรามากๆมึนเมาเวล า, วลาตื่นเช้าจะไปทำงานก็ตื่นไม่ไหวเพราะก็จะไม่ได้ไปทำงาน พอขาดงานบ่อยๆเข้าก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานไปมีเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วยังเสียสุขภาพตอนที่ดื่มสุราเป็นประจำนี้อายุจะสั้นอายุไม่เท่าไหร่ก็จะตายเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียสุขภาพอีกเสียงานเสียการอีกมีแต่เสียอย่างเดียวคนฉลาดเขาไม่ทําอย่างนี้ มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะดื่มสุราดื่มแล้วก็ไม่สามารถควบคุมบังคับความคิดได้คิดจะไปประพฤติผิดประเวณีก็จะไปคิดจะพูดจาหยาบคายโกหก ห, กหกลอกลวงก็จะพูดคิดจะรักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะรักทรัพย์คิดจะฆ่าผู้อื่นก็จะฆ่าเพราะไม่มีเบรกเหมือนรถยนต์เวลามาถึงสี่แยกไฟแดง พอเจอไฟแดงก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเบรกก็ต้องฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ต้องไปชนรถไปชนกับรถคันอื่นเป็นอุบัติเหตุอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้นี่คือโทษของการดื่มสุราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอย่า ก, กระทำกันถ้าเราไม่กระทำบาปทั้งห้าประการนี้จะไม่มีโทษตามมา โทษเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่นถ้าเราไม่ทำบาปแล้วจะไม่มีโทษตามมาเราจะอยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขจึงขอให้ท่านเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทำบาปกันทำบุญกันอย่างที่ท่านมากระทำกันในวันนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ แล้วขณะที่ตายไปก็จะไปสวรรค์แล้วถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับไปพระนิพพานเพราะเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็มาชำระใจให้สะอาดตัดกิเลสตัดตัณหาตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆด้วยการมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ถ้ามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถชำระใจให้สะอาดได้ตัดความโลภความโกรธความหลงได้ตัดความอยากต่างๆได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราเพราะท่านตัด ความโลภความอยากได้ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญปัญญากันแล้วเราก็จะตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากายได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเราจะอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่ปรมังสุขขงัง คือมีแต่บังลมมาสุดมีความสุขมากกว่าการอยู่ที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่ต่อความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติแล้วความสุขและความเจริญและการสิ้นสุดของความทุกข์ จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วกาปลอดภัย